ข้อความในมัชฌิมานิกายมูลปัญธ า, ม า, า, าตนะมหาอัสสะปุระสูตรเนี่ยเลมหาอัสสปุระนี่เป็นชื่อของหมู่บ้านหรือเป็นชื่อของนิคมนิคมในสมัยก่อนก็คือตำบลนะเป็นชื่อของตำบล น, นั่นเองเรียกว่ามหามหานี่ไม่ได้แปลว่าหมู่บ้านใหญ่นะแต่แปลว่าเป็นสูตรใหญ่มามาคู่กันกับว่า อาจจะข้างหลังก็จะเป็นสูตรเล็กเนี่ยนะเป็นสูตรใหญ่สูตรเล็กควบคู่กันไปในข้อ459หน้า205ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัสสปุระนิคมของหมู่เจ้าอังคะในอังคะชนบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เพกสุเหล่านั้นทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนิคมนี้เป็นนิคมของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะอยู่ในแคว้นอังคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีแคว้นใหญ่ๆอยู่16แคว้นก็คือแคว้นอังคะมะคตกาสีมะละเจตีเป็นต้นเพราะฉะนั้นอังคะกับมคตเนี่ยขึ้นตรงต่อพระเจ้าพิมพิสาร นะพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าพิมพิศาเนี่ยปกครองแคว้นนี้แล้วก็เป็นแคว้นที่ประชาชนเนี่ยนะออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์มากมายซึ่งตอนที่พระองค์ประทับอยู่พระองค์เรียกพระพิสูธ์ทั้งหลายมาแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าดูก่อนพิสูธทั้งหลายประชุมชนคือชาวบ้านเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายเนี่ยเขารู้จักพวกเธอว่าเป็นสมณนะสมณนะ สมณะโดยโดยสาบเนี่ยแปลว่าผู้สงบเนี่ยนะชาวบ้านทั้งหลายประชุมชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายชาวแว่นแคว้นทั้งหลายเขารู้จักพวกเธอกันว่าสมณะสมณะก็และพวกเธอเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรคือคือการแต่งตัวการนุ่งหม่มทรงเครื่องของท่านเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเลยอ่ะนะไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะพวกท่านเนี่ยเรียกว่าอะไรถ้ามีคนถามอย่างเงี้ยเออพวกท่านเนี่ยกลุ่มไหนเหมือนกันก็ โดยมากก็ปฏิญญาณตอบรับบอกว่าพวกเราเป็นสมณะเนี่ยนะคือถ้ามีใครถามว่าพวกท่านเป็นพวกไหนก็คือไปบอกว่าเป็นพวกสมณะนะเขาก็มีแบบพระพิสูจน์ไปต่างประเทศใช่ไหมเขาก็แบบพวกพวกพังอะนะบอกเออท่านเปนกลุ่มไหนเขาว่างั้นคือมันพิเศษอะนะแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนช่ไแต่งตัวไม่เอ๊เป็นพังกลุ่มไหนเขาว่างนั้นแต่นี้ก็เหมือนกันารสมัยก่อนเพราะเออเนี่ยแต่งตัวนุ่งองค์ส่งเครื่องแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสมณะนะนะ คือใครๆก็เรียกว่าท่านทั้งหลายเป็นสมณะเวลาใครถามท่านท่านทั้งหลายก็จะตอบตัวเองว่าเป็นสมณะเนี่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นมีชื่อเนี่ยนะไปที่ไหนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อว่าสมณะใครก็รู้จัว่าชื่อของพวกเธอนี่เป็นสมณะปฏิญญาเวลามีใครถามเธอทั้งหลายก็ตอบว่าเป็นสมณะเพราะฉะนั้นแหละนะนะเพราะฉะนั้นเพราะชื่อก็เป็นสมณะ เวลาใครถามก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นสมณะควรทั้งหลายเธอทั้งหลายควรศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะสมาทานถือเอาประพฤติกุศลธรรมที่กระทําความเป็นสมณะนะกระทําความเป็นพรามหมายคือว่าอย่าท่าอย่างนี้แล้วต้องปฏิบัติให้มันสมชื่อเมื่อเธอชื่อว่าสมณะเธอก็ควรปฏิบัติประพฤติธรรมที่ ทำให้เป็นสมณะสมควรแก่ชื่อเมื่อเธอทั้งหลายาไปที่ไหนก็บอกว่าตัวเองเป็นสมณะสมณะเนี่ยนะผู้สงบประนับเธอทั้งหลายก็ควรสมาทานประพฤติธรรมในความเป็นสมณะทากระทาความเป็นพรามสมณะคือผู้สงบบาปพรามคือผู้ลอยบาปเพราะเมื่อพวกเธอทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อชื่อก็แว่าปฏิบัติสมชื่อนะ และปฏิญญาการปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะของพวกเธอเนี่ยนะก็จะเป็นความจริงแท้นะก็คือสําคัญไว้ในใจเอว่าถ้าสมท า, านประพฤติกุศลธรรมที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติที่สมชื่อเป็นการปฏิบัติที่สมกับคําตอบรับบอกว่าตัวเองเนี่เป็นสมณะไม่ใช่แต่เท่านั้น เมื่อพวกเธอทั้งหลายบริโภคจีวนบินธบสนาสนคิลานะปั จ, จัยเภสัชบริคารหรือบริโภคปั จ, จัจสี่ของทายกทายิกาผู้ให้ทั้งหลายเหล่าใดสการะที่เรว่าทูลหัวถวายเนี่ยนะของทายกเหล่านั้นจักมีผลมากจักมีอนิสงมากเรียกว่าเขาจะได้บุญเยอะเขาจะได้กำไรงามในเพราะการปฏิบัติของพวกเธอทั้งหลายเนี่ยนะคือถ้าหากว่าพวกเธอเนี่ย ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมะที่กระทำความเป็นสมณะการปฏิบัติก็สมชื่อการบริโภคปัจจัยสี่ของชาวแว่นแคว้นนะ่ะนะชาวแว่นแควน้นทั้งหลายที่เขาถวายปัจจัยสี่เขาก็จะได้รับผลมากได้รับอานิสงส์มากเพราะพวกเธอทั้งหลายถือว่าปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมที่เป็นนาบุญอันหนึ่งเล่าบรรปชาการบวชของเรานี้จะไม่เป็นหมันจกมีผลจกมีกาไร น, นะนะคำว่าผู้สนับสนุนเขาก็ได้บุญ น, นะนะตัวเองก็ไม่เสียไม่สูญเสียเวลาไปเปล่าทายกผู้ถวายปัจจัยสี่เขาจักเจริญด้วยบุญการปฏิบัติของเธอทั้งหลายก็จักมีผลมากมีอา น, นิสงส์งมากได้กําไรเนี่ยนะก็สมกับความตั้งใจที่เข้ามาบวชคือทําไมพระพุทธเจ้าจึงยกข้อความอันนี้เนี่ยนะยกข้อความอันนี้มาตรัสในอัถกทาหน้าสองกล่าวถึง ชาวบ้านเมืองชาวบ้านอัสะปุระเนี่ยนะเหตุที่พระองค์ตรัสก็เพราะว่าในนิคมนิคมในบางทีหมายถึงตำบลเนี่ยนะตำบล น, นั้นเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายนี่มีศรัทธาเขามีความเลื่อมใสนับถือพระพุทธววเจ้าว่าเป็นของเรานับถือพระธรรมว่าเป็นของเรานับถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเราอันนี้ประกาศว่าสาระคมเข้าดีเนี่ยนะสาระเข้าดีมากเลยเอ่ พุทังธรรมังสังขังสระนังฆาชามิก็แปลว่าเขาถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ภายในเบื้องหน้าแบบพิเศษด้วยสําคัญว่านี่คือของเรานะเพราะฉะนั้นใครจะมาแบบล่วงเกินสิ่งที่เราเคารพแบบนี้ไม่ได้ก็คือมีความเคารพมีความรักมากนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นของเราว่างั้นฮนะเขาไม่ห้ามใช่ไหมห้ามไหมถ้า น, น, นับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นของเราห้ามไหมไม่ห้ามเอ๊ะทำไมไม่ห้าม ก็เพราะว่าถ้าเกาะพระัตนะตายแล้วบรรลุมรรคผลแต่ถ้าเกาะรูปเวทนาสัญญาสังขารทั่วไปเนี่ยอันนี้ลําบากแต่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าถือว่าพระัตนะตายเป็นของเราถ้าถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราถือการตรัสรู้ผู้ตรัสรู้ว่าเป็นของเราถือเอาพระธรรมที่จะทําให้ตรัสรู้พระธรรมที่เป็นเครื่องตรัสรู้เป็นของเราถ้าอย่างนี้ไหนที่สุดก็จะได้ตรัสรู้ตามเป็นแน่เพราะจึงไม่ได้ห้ามอะไร คำว่าพุทธมามะกะธรรมมามะกะสังฆมมามะกะคำว่าผู้ที่นับถือพระตัตนมตรายว่าเป็นของเราไม่ใช่ยึดถือด้วยกิเลสแต่หมายถึงด้วยใจที่ประกอบด้วยศรัท ธ, ธาแล้วก็เลื่อมใสความที่ประชาชนชาวนิคมอัสสปุระเนี่ยนะเขาเห็นภิกษุสงฆ์แม้กระทั่งเห็นสัมมเนณที่บวชในวันนั้น ก็เคารพรักเหมือนกับพระเถระที่บวชมาตั้งร้อยพันสานะแม้กระทั่งสั ม, มนเนนที่บวชวันนั้นก็นับถือมากเพราะฉะนั้นเห็นพิกษุสงฆ์เข้าไปบิณฑบาตในเวลาเช้าตัวเองจะถือพืชและขันถ่ายกะว่าเตรียมจะไปไปนาทำนาหวานกะหล่เป็นต้นพอเห็นพระพิสุก็ถือเอาวัตถุมีขวานเป็นต้นเข้าไปยังป่ า, อาขอถือเอาวัตถุมีขวานเป็นต้นเข้าไปยังป่า จะถืออะไรไปก็ช่างเถอะเขาจะวางอุปกรณ์เหล่านั้นทั้งหมดปัดกวาดที่นั่งสำหรับภิกษุสงฆ์ถืออาสนะศาลาไม่ว่าจะเป็นที่อาสนะศาลาหรือว่ามณฑบเช่นโคนไม้ก็จะปูลาดอาสนะตั้งหลายตั้งเชิงรองบาดและน้าดื่มนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้นั่งถวายข้าวต้มและของที่ควรเคี้ยวเป็นต้นส่งภิกษุผู้ทาพักิจเสร็จแล้วก็ ค่อยไปทํางานเนี่ยนะค่อยถือเอาอุปกรณ์ไปทํางานเขาถือเอาธุระในการบุญเป็นเป็นหลักเนี่ยนะถือเอาธุระการบุญเป็นหลักเพราะว่าเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่นับถือประรัตนะไตรและโดยปกติเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่จเจริญสังขานุสติความที่เขาจเจริญสังขานุสติมากเนี่ยนะเวลาที่เขาทํางานทั้งกลางวันก็ตามเขาจะไม่คุยกันเรื่องอื่นเลยพวกเขาเหล่านั้นกล่าวแต่ คุณธรรมความดีของภิกษุสงฆ์เท่านั้นแหละคือเจริญแต่สังขานุสติเนี่ยนะว่าบุคคล8ดคือผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคสีผลสีชื่อว่าพระอริยสงฆ์ผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลชื่อว่าอริยสงฆ์ผู้ที่ตั้งอยู่ในสกะทาคามิมรรคสกะทาคามีผลชื่อว่าอริยสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีมรรคอานาคามีผลชื่อว่าอริยสงฆ์ผู้ที่ตั้งอยู่ใน อรหัตตะมัคอรหัตตผลชื่อว่าอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่ประกอบด้วยศีลเห็นป่านี้เนี่ยนะคือท่านเหล่านั้นมีจารีตศีลอย่างนี้ปีวารีตศีลเป็นอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยอาจาระเห็นปานนี้อาจาระแปลว่ามัน ญ, ญาติทางกายอย่างนี้ทางวาจาอย่างนี้มีอาชีพเป็นอย่างนี้มีข้อปฏิบัติเห็นป่านี้นะเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติตรงข้อปฏิบัติ ที่นําออกจากทุกข์เป็นผู้ละอายอเรียกว่ามีหิริละอายที่จะทําความชั่วพระอริยสงฆ์ทั้งมวลล้วนแต่มีศีลเป็นที่รักคือท่านเหล่านั้นเป็นคนรักศีลเป็นผู้ที่มีคุณธรรมโอฬานก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะมันบุคคลเหล่านี้เจริญแต่สังขารุสติกันเพราะถือว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านได้ อนุตริยะหลายประการด้วยกันท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นเนืองนิดท่านเหล่านั้นมีทัศนานุตริยะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ฟังธรรมเป็นเนืองนิดก็เรียกว่ามีสวนานุตริยะท่านเหล่านั้นเนี่ยนะมีการศึกษาในสิกขาสามเป็นเนืองนิดท่านก็เป็นผู้ที่มีสิกขานุตริยะคือพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่บวชเข้ามาบวชบวชอย่างตั้งใจอย่างถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนเขาก็จะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญานั้นประชาชนเหล่านี้เขาเป็นพวกมีมุติตาเป็นชุมชนที่มีมุติตาคือชุมชนแต่และชุมชนนี่ไม่เหมือนกันชุมชนบางชุมชนเคารพนักบวชเนี่ยนะเคารพผู้ที่เข้ามาบวชบางชุมชนนี่ตรงกันข้ามก็คือบอกว่าโอย้ยังหนุ่มยังแน่นเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีที่ไปแล้วหรือเนี่ยนะจึงได้มาบวชเป็นต้น ไม่มีปัญญาท ร, รมาหาเลี้ยงชีพแล้วหรือเป็นตอนเขาก็จะตําหนิงบางแห่งก็เป็นอย่างนั้นบางแห่งก็ยกย่องและสรรเสริญสําหรับในอัสสปุระนิคมเนี่ยนะเขายกย่องนับถือสรรเสริญพระสงค์มากสําหรับผู้ที่บวชโดยที่สุดแม้แต่สัมมาเนนที่บวชวันนั้นเขาเหล่านั้นเนี่ยนะ กางวันเนี่ยนะทำงานไต่ก็สรรเสริญคุณพระรัตน์ไต่ไปสันโดยเฉพาะสรนเสริญคุณของพระสงฆ์เวลามาจากที่ทํางานแล้วบริโภคอาหารเย็นนั่งอยู่ที่ประตูเรือนหรือเข้าห้องนอนแล้วก็นั่งก็ดีเขาก็จะกล่าวแต่คุณความดีของภิกษุสงฆ์นั่นแหละนะเขาเจริญสังขานุสติเป็นอาชีพจริงๆเลยนะเรียกว่าถือเอาบุญคือการเจริญสังขานุสติเป็นเป็นหลักเพราะท่านเหล่านั้นจะมีความสุขในการให้ทาน แต่ก็เคยพบพบยอมหลายคนเนี่ยนะเขาเขาเป็นลักษณะนี้จริงๆเขาไม่สนใจหรอกว่าพระนั้นจะดีหรือไม่ดีเขานับถือว่าในฐานะสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อเคารพในฐานะสาวกของพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบก็จะไม่เอาเรื่องส่วนตัวของท่านเข้ามาปนเนี่ยนะเขาก็จะกล่าวถึงบุคคลทั้งหลายในฐานะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นพระสมณเนบวชแม่เล็กน้อยเขาก็กราบอย่างสนิทใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้กราบตัวบคุคคลแต่เขาระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยแต่เขาไม่ใช่กราบไปแล้วดูหมิ่นไปไม่ได้กราบเนี่ยฉันไม่ได้กราบเธอนะไม่ได้กราบุท่านนะแต่กราบพระรัตนตรัยนู่นเป็นต้นคือก็ไม่ไม่มีคําพูดที่เน็บแนมสร้างความเรียกว่าอะไรนะแบบแหมเคารพอ่อนน้อมเหลือเกินแต่คําพูดเนี่ย คือกระแทกหูแผ่วๆเหมือนกันเนี่ยบา ง, งนก็คือไม่ใช่ในลักษณะนั้นก็คือมีความอ่อนน้อมเพราะอะไรอย่างน้อยที่สุดเห็นผ้ากาสาวพัดธงใจของพระอรหันเนี่ยน ะ, ะ, ะนนถ้าเห็นธงชัยผ้ากาสาวพัดก็ระลึกถึงคุณพรตนาตรัยระะนั้นก็สักการะและบูชาด้วยกายวาจาใจน่อยากเคารพนอบน้อมเนี่ยนะ